พวกเราได้เคยได้ยินตั้งแต่อันนั้นจารยกรรมห้าอันนั้นจารยกรรมหกยังไม่อยู่ในรมหมวดหกของนักทำโทรและนักทำเอกก็ใช่อยู่ด้วยกันเหมือนกันสมเด็จพระมหาสมณเจ้าท่านเอามาและจนะอาไว้คัดออกมาจากพระสูตรจันทรคติุกร์มาไวไ้ใน นักทำทูนักทำอีกอภิษฐานบางท่านไม่เข้าใจในสังฆเพศสังฆเพศมหาเนกายจะทำสังฆเพศธรรมยุทธ์ก็ไม่ได้ธรรมยุทธก์กจัดทำสังฆเพศมหาเนี่กายก็ไม่ได้ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาจะทำสังฆเพศก็ไม่ได้จะทำได้แต่เพียงสังฆราชีความาราาน ผู้ทำสังฆเพศได้ก็อยู่สมานสังวัรอันเดียวกันไม่ใช่คนละสังวรจึงทำสังฆเพศให้แตกออกเป็นทางละสององนับแต่สี่องขึ้นไปเป็นทางละสององพยายามทำทสังฆเพศส่วนคราวาสทำสังฆเพศไม่ได้เป็นแต่เพียงว่าทำให้สวงเล่าลานเฉยๆเรียกว่าสังฆราชีบางท่านยังไม่เข้าใจในสังฆเพศที่นี่พระสวดาบันจะล่วงทำไมล่วง สังเกศไหรลวงเพราะมีชิ้นท่าบริบูรณ์แล้วไถ้ริงจะไปทามาทุกข่าปีตัวฆ่รหัสตขวฆ่โรคหิตตัวบาททำไม่ได้เพราะแต่ยุงตัวเดียวเขาก็ไม่กล้าตบขาาติด ต, ตีแล้วนะนั่งนั่นก็พูดไปเพื่อให้เราเข้าใจชัดเจนๆหรอกนะ